เมื่อวานหลวงพ่อไปรับภาพป่าสามัคคีของโรงเรียนอุดรราชินุทิศเด็กนักเรียนชั้นมอสามสห้องเรียนเฉพาะชัน้นมอสามนะสิห้องเรียนเจ็ร้อคนแห่งเฉพาะนักเรียนได้กับครูบาอาจารย์สอนนักเรียนอีกในชั้นมอสปีที่แล้วก็ไปรับผ้าป่าปีนี้ก็นิมนต์ หลวงพ่อไปรับผ้าป่าอีกผ้าป่าเพื่อสมทบหมุนนิธิหออภิบาลสงหลวงปู่มั่นผูริทัตโตใครกาช่วยสงอาพาธโรงพยาบาลศรีนักเรีนขอนแก่นดูสิว่าลูกหลานเขาก็พร้อมเพียงสัมคมีกันดีมากนักเรียนครูบาอาจารย์สอนตามไม่จริงหลวงพ่อว่าน่าจะสอนเด็กนักเรียนอย่างนี้นะสอนเป็นพุทธมามะกะ สอนวิธีไหว้พระสมาทานศีลและก็อาราธนาธรรมอาราธนาปริศถ้าเป็นไปได้สมันตาด้วย <c oughs> จากเคเทวดาตาไม่จริงน่าจะให้ได้แต่เมื่อวานเขาเนี่จะไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลแล้วก็ถวายผ้าป่าเพื่อตึกสงอาพาตแต่ยอดของเขาก็ได้มากอยูน่นะเมื่อวานยอดผ้าป่าได้แปดมืนกว่าก็ถวาย หลวงพ่อเจ็ดพันแล้วก็ถวายโพติดตามอีกสามพันหลวงพ่อกับเออลูกหลานยังทำบุญตึกสงอาพาดได้ปัจจัยที่ถวายหลวงพ่อเจ็ดพันเเอาสมทบเข้าไปเลยกับของคู่บาที่มาด้วยอะไรเป็นปัจจัยทั้งหมดเก้าหมืนกว่าบาทเก้าหมืนสี่พันกว่าบาทมั้งก็ถึกว่าได้มากอยู่แต่เขาคงจะเอามาเข้าสมทบกับ มูลนิธิหออภิบาลสง์หลวงปู่มั่นที่ศรีนครินทร์ขอนแก่นที่พระสงฆ์อาพาธก็จะได้นําจตุปัจจัยเหล่านี้มาใช้เป็นบุญเป็นกุศลเน่าลูกหลานเน่าดีและครูบาอาจารย์ช่วยๆพาลูกหลานทําบุญหออภิบาลสง์หลวงปู่มั่นพระสงฆ์จากจาตุรทิษไม่ลั่วภาคไหนภาคไหนบางทีบางภาคก็ได้ยินกิติศัพ์ ว่าศรีนครินรักษาพระดีบางทีทั้งภาคใต้ภาคเหนือลงมารักษาก็หลายองค์เหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานได้บุญมา ก, มากๆได้บุญหลายๆนะลูกหลานเ้าะ <c oughs> จากนั้นก็ด้ไปเยี่ยมเขาที่มลไปเยี่ยมผู้สูงอายุผู้สูงอายุป่วยเป็นมะเร็งก็มีเป็นอมพาตก็มีไปเห็นแล้วก็โอ้ปรงตกเหมือนกันน่ะเนี คิดถึงท่านคิดถึงเราเราพวกเราท่านทั้งหลายทั้งหลวงพ่อด้วยเพราะงั้นอะอนาคตไม่รู้จะเป็นยังไงไม่คาดคิดว่าตัวเองจะเป็นอย่างนั้นบางทีแขนขายกไม่ขึ้นเลยมือก็ดกอดอยู่ในอกก็มีขายกไม่ขึ้นก็มีอันนี้แหละพยาธิรรมอมหิพยาธรรมมมยาิงอนาตีโตเนี่ยเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความเจ็บไข่ไปไม่ได้ชราธิธ ร, รมมหิชราทิงอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้จนถึงมรณะธรรม ม, มหิมรณงอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้แต่ตามไม่จริงเราสวดเราก็สวดได้แต่พอมันเจอของจริงเข้ามาแล้วมันคนละเรื่องกัน มันจะรับไม่ไหวถ้าเราไม่ได้เตรียมพร้อมเอาไว้ไปเห็นเมื่อวานเนี่แหละเห็นทุกรูปทุกนามเห็นท่านแล้วก็มองเราอีกเหมือนกันไม่ใช่มองท่านนะมองเราด้วยว่าน้อง ม, มาหาเราด้วยอีกสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นอย่างนี้มันช่วยตนเองไม่ได้สักอย่างเลยนอนอยู่ในเตียงนะต้องอาศัยคนอื่นช่วยและทีนี้ถ้าหากว่า ไม่มีลูกมีหลานล่ะลูกหลานไม่มีคุณภาพไม่มีศักยภาพที่จะดูแลล่ะจะเป็นลักษณะอย่างไงอันนี้เราก็ไม่อยากจะคิดถึงอนาคตอีกเหมือนกันบางทีเกิดศึกสงครามเกิดภัยวิบัติอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นดูๆแล้วอย่างที่พระพุทธเจ้าพูดจริงๆไม่น่ามาเกิดในโลกวัะสงสารใบนี้มันมีแต่เรื่องของทุกขทางนั้น ถ้าช่วงไหนที่เราสมหวังความดังปรารถนาก็เอยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ถ้าาว่าช่วงไหนที่เราไม่สมหวังดังปรารถนาเจ็บไข้ได้ป่วยเนะี่ยเราก็ทกใจอีกสรุปแล้วก็คือมีแต่ทุกข์มากกว่าผลที่สุดในบ้านปลายของชีวิตก็คือทุกข์อย่างเดียวทำไมจะว่าบ้านปลายของชีวิตคือทุกข์อย่างเดียวบ้านปลายจริงๆเหาือนนเมื่อใจจะขาด จะหาความสุขไม่ได้ในจุดนั้นมีแต่ความทุกข์พอทุกข์เสร็จแล้วก็ไปเลยลืมไปเลยเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็เป็นเด็กใหม่อีกเกิดขึ้นมาใหม่โภชุณสุดก็นั่นพอตายไปแล้วก็จบไปลืมไปแต่มีแต่พวกเราที่อยู่เบื้องหลังเท่านั้นนะเห็นคนตายโอ้โหดูสึกว่าหาความสีวิไลไม่ได้เลยในขณะที่ใจจะขาดนะแต่ผู้ตายไปก็ตายไปจบไป พบถึงชาตินึงไปแต่มันไม่จบเพียงแค่นั้นวิญญาณคือใจนามธรรมไปก่อพบก่อชาติอีกในภพภูมิต่างๆอีกอันนี้แหละมันไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกกล่าวพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะให้สสแสวงหาทางพ้นทุกทางพ้นทุกข์มีอยู่ที่พระพุทธเจ้าที่ท่าน ได้ค้นคว้าศึกษาได้ตัสรู้ได้แนวทางมาแล้วมาสอนพวกเราแต่พวกเราพอได้ยินแล้วก็อย่างว่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างบางทีก็สู้ฝ่ายต่าไม่ได้กิเลสความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะดึงถ่วงเอาไว้อยากจะทำอยากจะทำมานั้นแต่มันก็ เชื่อบางไม่เชื่อบางก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทีนีเออ่เขาว่าเชื่อบางไม่เชื่อบางจุดนี้คือเป็นจุดแรกออจากนั้นก็ความขี้เกียจกิเลสก็ามาดึงถ่วงลงอีกเป็นพลังสองอีกผลที่สุดก็เลยมาลุม่มมาตุ้มนู่นแหละจนถึงวาระสุดท้ายยังคอยโอ้สายเกินไปเสียแล้วเราไงกระจบไปในชาตินึงเกิดมาพบหน้าชาติหน้าอีกอย่างเก่านี่แหละ สรุปแล้วก็คือให้พวกเราสั่งสมบุญบารมีไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆค่อยขัดเกลาไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆฟังทั้งนั้นบั่งทีนี่บั่งศึกษาเตื่องธรรมเทศนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหลายครั้งต่อหลายหนผลในสุดมันก็คงจะกระทากกิเลสความรู้ จริงเห็นจริงในจิตในใจของเราคงจะมีไปทีละน้อยละน้อยละน้อยจนถึงที่สุดก็นั่นแ่ะได้นำธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเพบบราบาลีของเราแก่กล้าฮะจากนั้นก็พ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารไปไม่มาเวียนว่ายตายเกิดตัดกำลัง ก, กงเวียนไปเพราะงั้นแทะแหวกออกจากกำลัง ก, กงเกวียนไม่มาอยู่ในวัฏวณหนีออกจากวัฏวณ ไม่มาเวียนไหวตายเกิดถ้ามาเวียนไหวตายเกิดก็อย่างที่วาอย่างที่หลวงพ่อเห็นเมื่อวานผู้เป็นมะเลงกับเป็นมะเลงผู้เป็นอมพึกอมพาดกับเป็นอมพึกอมพาด อ, อ, อายุแกอีกต่างหากทีนี่จะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายแต่ไม่รู้จะทำยังไงสรุปแล้วก็คือใช้กลมกลมของใครกลมของเราเพราะว่าต่างคนก็ทางทางทากลมทางว่าภูใด ลังแกรหรือว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลังแกเบียดเบียนสัตว์ร่างกายจะทุบพลภาพในอนาคตนะกรรมจะไปให้ผลแต่ว่าผู้ใดชอบฆ่าสัตว์ผู้นั้นก็ชีวิตสั้นเข้าถ้าผู้ใดลังแกสัตว์ผู้นั้นก็ทุบพลภาพในร่างกายเย็บไข้ได้ป่วยพระพุทธเจ้าท่านพยากรณ์ไว้อย่างนั้นกรรมคือการกระทํา ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำทุกข์ให้แก่ท่านทุกนั้นจะมาถึงตัวต่อไปในอนาคตวันนั้นอย่าทำกรรำที่มันไม่ดีอย่าทำกลรำชั่วให้ทำแต่กรรำดีให้สร้างแต่บุญกุศลเนอแต่มันก็ยากเหมือนกันนั่นแหละคนเราที่จะทำแต่กรรำดีอย่างเดียวคิดแต่ยังคิดดีดดพูดดีทำดีอย่างเดียวก็ยากแต่ก็พยายามทำให้ให้มากที่สุดส่วนดี ส่วนกล่อมไม่ดีนะครับพยายามหลีกเลนพยายามหลีกออกให้ทำให้น้อยที่สดุดในเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะอยู่เราก็คงจะพอจะหลีกได้นะแต่ถ้าเมื่อเราไม่มีขาดสติเมื่อไรน่นละกรรมชั่วมันก็จะทะลักเข้ามาอีกเหมือนกันเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆคนเนะที่พูดทางนี้ทางนั้นเป็นเครื่องชี้นำาตัว บ, บอกกล่าว มันเป็นจริงอย่างนั้นจริงๆน ะ, ะมันไม่มีใครหลีกลี่หนีพ้นไปได้แก่เจ็บตายเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อไปเห็นไม่ใช่ดูไปเห็นท่านแล้วก็จะมองแต่ท่านอย่างเดียวไม่ใช่นะมันมองเราอีกต่างหากน ะ, ะมันมองตัวของหลวงพ่ออีกต่างหากเออตายมันไม่น่าอยู่จริงๆโลกเนี่ยเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บ ท, ทุกทุกทรมานจริงๆหายใจเขแมแอเขมว ช่วยตนเองก็ไม่ได้ถ้าเป็นอย่างเราเราจะทำยังไงก็ทำอย่างท่านเหมือนกันนะั่นแหละจะทำยังไงถึงอย่างไรก็ให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้เหมือนกับเราจะไปเมืองนอกใครๆก็ไม่อยากจะไปเพราะติดถิน่นพวกเราติดถิน่นติดบ้านเกิดของตัวเองถึงจะทุกขยากลำบากยังไงก็พออยู่ๆพอเราอยู่เคยชินกับบ้านของเรา แต่เขาก็บอกว่าอันนี้คุณจะต้องหนีคุณจะต้องออกไปต่างประเทศนะ <abilir im. S 1> คุณจะต้องออกไปต่างประเทศเรอยู่ที่นี่ไม่ได้คุณต้องออกต้องได้หนีออกไปต่างประเทศแต่ถ้าเราไม่ได้เตรียมพร้อมนะคําพูดอยู่ในใจเราก็รู้ว่าเราจะต้องหนีแน่แต่เราไม่ได้เตรียมพมร้อมเรามีแต่กุกุกๆุกกุกุกกุกกีกีทำนุนทำนี่ไม่ได้เตรียมพร้อม พอถึงวันไปจริงๆริตายข้าไม่ได้เตรียมอะไรเลยเงินในกระเป๋าก็ไม่มีคว้านาคคว้าหลังผลที่สุดไปตกไปเมืองนอกกทุกยากลําบากเนี่ยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพวกเราจะต้องไปต่างประเทศจริงนะให้พวกท่านเตรียมพร้อมเอาไว้นะให้สั่งสมบุญกุศลไว้พร้อมนะบุญกุศลคืออะไรก็คือคุณงามความดีนะนะั่นแหะให้เตรียมใส่ใจเอาไว้ ในเมื่อพวกเรามีคุณงามความดีมีบุญกุศลในจิตใจแล้วถึงจะไปต่างประเทศเราก็มั่นใจว่าเรามีทุนในกระเป๋าไปรูดบัตรที่ไหนก็ได้บัตรเอทีมที่ไหนก็ได้เงินในกระเป๋าเพชรนิ่มกินดาของเราก็เต็มในกระเป๋าไปพบหน้าชาติหน้าเราก็คงจะมีความสุขเพราะเหตุไดเพราะว่าเราได้เตรียมพอสมควรแล้ว น, นี่อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายให้เตรียมพร้อมเพราะพวกเราจะได้เดินทางต่างประเทศอย่างที่ว่าเท่าน่ะแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นรับพร อ, อนุโมทนาให้พร